พอมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันจะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้เต็มปากนะเพราะว่าการที่จะทะเลาะกันได้นี่ก็ต้องมีสองคนสองฝ่ายร่วมทะเลาะเบาแวงกันด้วยนะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ร่วมทะเลาะเงียบเสียให้การทะเลาะวิวาสก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ที่จริงแล้วสํานวนนี้ก็ยังสามารถจะามาใช้ได้กับ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 เขาจเจาไปเราก็ไม่รู้สึกทุกข์แต่เป็นเพราะใจเราเนี่ยนะมันมีส่วนเข้าไปร่วมด้วยจะเป็นความยึดติดก็ดีจะเป็นความหวนหวนัวนนึกถึงก็ดีก็ทำให้เกิดความเจ็บปวดขึ้นมาแต่ถ้าไม่นึกถึงนะกำลังดูหนังกำลังฟังเพลงก็ไม่รู้สึกทุกข์อะไรนะ แต่พอเลิกฟังเพลงพอเลิกดูหนังก็ไปคิดมันปวดทุกข์เสียใจอะไรนี่จะได้ว่าความความคิดหรือจิตใจของเราเนี่ยมันก็เป็นส่วนร่วมเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งนะที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเรามีความทุกข์ใจเนี่ยอย่ามองหรืออย่าโทษแต่สิ่งภายนอกอย่างเดียวอย่ามองหรืออย่าโทษแต่สิ่งข้างนอกอย่างเดียวนะจิตใจของเรา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 ก้อนหินนี่คือปัจจัยภายนอกนะแต่ว่าการเข้าไปแบกมันเนี่ยนะก็คือปัจจัยภายในแบกที่ว่านี้ไม่ได้แบกด้วยด้วยมือนะแต่เป็นการแบกทิ่ใจไอ้ความทุกข์ที่สร้างความที่เป็นความหนักอกหนักใจหรือความขุ่นเคืองความเศร้าโศกความอาลัยเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการที่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 เพียงแค่คาบเอาไว้มันก็ไม่มีทางทำให้เราเป็นมะเร็งได้การจุดบุหรี่สูบเนี่ยก็คือการยินยอมคือการอนุญาตให้มันเข้ามาทำร้ายร่างกายของเราเป็นการยินยอมให้มันมีอำนาจเหนือเราสามารถจะบงการชีวิตของเราคือชีพเป็นชีพตายได้ถ้าเราสูบบ่อยๆสูบนำนานแต่ถ้าเราถือเอาไว้แต่ไม่สูบ หรือแม้แต่เีบเอาไว้ไม่สูบใส่ปากไม่หรือแม้แต่คาบเอาไว้ไม่จุดเนี่ยมันก็ไม่มีอํานาจเหนือเรามันก็ทําอะไรเราไม่ได้งั้นจะจะโทษว่าบรีทาให้เป็นมะเร็งนี้ก็ยังพูดไม่ถูกนะบุหรีจะเป็นจะเป็นโทษเป็นภัยทําให้เป็นมะเร็งได้ก็ต่อเมื่อเราสูบมันคําต่อว่าดาทอก็เหมือนกันนะทาอะไรเราไม่ได้นะจนกว่าเราจะคิดถึงมันจนกว่าเราจะ หัวเราลึกถึงมันนะการคิดถึงมันการราลึกถึงมันนะก็คือการยินยอมหรืออนุญาตให้มันเข้ามาทำ้ายจิตใจของเรานั่นถ้าเรามองพิจารณาให้ดีๆนะไม่มีใครขโมยความสุขไปจากเราได้เว้นเสียแต่เราจะยินยอมนะไม่มีใคร ทำให้เราทุกข์ได้หรือไม่มีอะไรทำให้ไม่มีสิ่งใดทำให้เราทุกข์ได้จนกว่าเราจะยินยอมหรืออนุญาตถ้าเราไม่ยินยอมแม่อนุญาตนะมันก็ทำแล้วเราไม่ได้เหตุการณ์ต่างๆที่เขาเรียกว่าเคราะห์เหตุร้ายนะการกันแกล้งคำต่อว่ า, าด่าทอการคดโกงการหักหลัง อย่างมากก็ทำให้เสียทรัพย์แต่ว่าไม่ทำให้ใจเป็นทุกข์ได้จนกว่าเรานะจะยินยอมร่วมมือด้วยอาจารย์ชาซาโลได้พูดไว้น่าสนใจนะบอกว่าไม่มีใครหรืออะไรจะทาจะมาบังคับให้เราทุกข์ได้มันมีแต่สิ่งที่มาชวนให้เราทุกข์ชวนให้เราไม่พอใจเมื่อเขามาเชิญเรามันก็อยู่ที่ว่าเราจะรับคาเชิญหรือเปล่า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 สร้างความทุกขให้กับเราบุหรี่ทำให้เราเป็นมะเร็งไม่ได้ถ้าเราไม่สูบหรือไม่จุดมันคําต่อว่าดาทอหรือการการะทาที่เจ็บปวดนะอาจจะเปรียบได้กับเศษแก้วที่แหลมคมหรือว่าเข็มถ้าวางไว้บนฝ่ามือของเรามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีความเจ็บปวด ไม่มีการบาดให้เกิดเลือดออกแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไปกรำร ม, มันเอาไว้กรำแล้วก็บีบกำแล้วก็บีบเข็มหรือว่าเศษแก้วก็จะบาดมือบาดนิ้วเราแล้วเมื่อเป็นช่นนั้นแล้วนี่จะโทษใครดีนะจะโทษเข็มจะโทษเศษแก้วหรือว่าจะโทษตัวเรานะ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 จนกินไม่ได้นอนไม่หลับทั้งทั้งที่ทุกทั้งนั้งที่เจ็บปวดแล้วทําไมถึงยังยังนึกถึงมันก็เพราะเผลอนะไอความเผลอนี่แหละหรือความลืมตัวนี่แหละนะมันเป็นตัวการสําคัญเลยนะที่ทําให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาใจเมื่อไก็ตามที่เรามีสติเมื่อไกระตามที่เรามีความรู้สึกตัวเราไม่ลืมตัวใจมันก็จะไม่ไป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 นะจึงปล่อยให้หรือยินยอมให้มันเข้ามาทำร้ายจิตใจของเราแยดยดความทุกข์ให้กับเราการมีสติความรู้ตัวหรือความรู้สึกตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้จิตใจเรานะไม่ถูกความทุกข์ครอบงำทำให้ใจเราเป็นปกติเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติเราก็จะไม่เผลอคิดไปถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้ว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 ลึกๆเรายึดนะเรายึดว่ามันมันต้องเที่ยงมันต้องอยู่กับเราไปตลอดเวลาเจ็บเวลาป่วยทำไมเราถึงทุกข์ใจไม่ใช่แค่ทุกข์กายนะพราเรามีความมีการยึดอยู่ลึกๆว่ามันต้องหนุ่มต้องสาวนะมันต้องเที่ยงมันต้องจีิรังพอมันแสดงความไม่จีิรังออกมาเช่นความเจ็บความป่วยหรือว่าความแก่ความชรา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 ร่างกายที่อยู่กับเราแม้กระทั้งจิตใจมันก็ไม่ใช่ของเรานีอันนี้คือความจริงที่เรียกว่าสัจธรรมแต่เป็นเพราะเราไม่เห็นความจริงตรงนี้นะไม่ตระหนักเราก็เลยยึดว่าอะไรก็ตามที่เป็นของอบ้าแล้วก็ตามที่ที่มีอยู่รอบตัวเราหรือร่างกายนี้มันจะต้องเที่ยงจะต้องจีรังทุกสิ่งทั้งปวงนี้ก็ไปย่ดเป็นเราเป็นของเราอันนี้เรียกว่า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 จนกทั่งเห็นว่าเออไม่มีอะไรที่มันจีรังยั่งยืนทุกอย่างรู้แล้วแต่แปลเปลี่ยนเลื่อดไหลไปไม่มีอะไรที่เป็นของเราไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราเลยแม้แต่น้อยนะการเห็นอย่างนี้แหละนะเรียกว่ามีปัญญาทําให้ไม่หลงนะสติถ้าไม่มีสติก็ทําให้ลืมตัวพอลืมตัวแล้วก็ไปไปจับฉวยความทุกมา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 ชื่อเสียงกิตติยศก็เห็นแต่ข้อดีของมันว่ามันทําให้มีความสุขทําให้ชีวิตมีรสชาตินะแต่ว่าไม่ได้ตระหนักว่าไอ้สิ่งเหล่านี้นก็เจอไปด้วยโทษเงินให้ความสุขแก่เราก็จริงแต่ก็สามารถจะให้ความทุกข์แกเราได้ลถยนให้ความสุขแกเราก็จริงแต่ก็สามารถทําให้เกิดความทุกข์แก่เราได้เช่นต้องผวงถึงมันต้องคอยดูแลรักษามัน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 ก็ได้ทั้งเนื้อแต่ก็ระวังไม่ให้กลางป่ามันทิ่มคอหรือแทงปากได้อันนี้เรียกว่าพ่อมีปัญญานะเปรียบได้กับผู้ที่มีปัญญาที่เห็นว่าเห็นความจริงขงสิ่งต่างๆว่ามันมีทั้งคุณและโทษนะและที่จริงแล้วสิ่งต่างก็รู้แล้วแต่เจือไปด้วยโทษทั้งนั้นก็รามัดระวังเกี่ยวข้องนะไม่ไปแบกไม่ไปยึดถือมนันเอาไว้อย่างพระอรหันต์หรือพระพุทธเจา้าท่านก็เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆนะ ใครถวายอาหารที่ปรนนีท่านก็ฉันใครถวายจีวรที่ปรนนีท่านก็หมแต่ท่านก็ไม่ยึดติดถือมั่นกับมันภัศวิภัิรวรเนี่ยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเอธ ท, ทักคะด้านโชคลาภเหนือกว่าพระเจ้าสิ่งนาะภัิวบริเนี่ยเวลาพระเจ้าจะเสด็จไปทางไหนที่ไม่แน่ใจว่าจะมีจะมีปัจจัยสี่จะมีอาหารหรือไม่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 ผู้จ้าก็สงก็ไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนดีก็ถามถามพระสิวลีว่าสิวลีมากับเราด้วยไหมนะก็ได้คําตอบพระสิวลีมาด้วยผู้จ้าก็เลยตัดสินใจไปเส้นทางที่ทางลัดทางที่ไม่แน่ใจว่าจะทางที่มันเป็นทางที่ไม่มีผู้คนอาศัยเลยแต่แน่ใจว่ า, าไม่อดแน่นะพอพระสิวลีไปไหนนี่เจ้าก็จะมีคนมาถวายลาบสักการะให้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 ก็ต้องฝึกจิตให้มีสติมีสติไม่ใื่รักษาใจแล้วก็ฝึกฝนจิตใจจนมีปัญญาถ้ามีสติและปัญญาแล้วนะให้การปล่อยการวางความทุกเนี่ยมันก็ก็เป็นเป็นเรื่องที่ธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นเลยแต่ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญานะั้นก็จะไปช่วยเอาความทุกมาเล่นงานตัวเราเจิตแทนที่จะเป็นมิตร